สมุราจินตาภาเปิกตาโลกรองขับขานสรารแสนสุขตาแมกไม้บอกไปเปลิวเรื่นเรืองลม รารักลอยลงมาแน่บูราสมดังไฟสมรักเราเคยผองสุขสองประคองใจชื่นรักชักชวนให้สุขในป่ารื่นนร่สมบูรา เรืเรียวลมราาอรเบาเมื่อรักลอยลงมาแนบราสมดังรราสม แสงสุขตาแมกไม้บอกไปพื้นบอกไปที่ลมแรงเมื่อรักลอยลงมาแนบูุราสมดังไฟสมรักเราเคยปองสุขซองประคองใจเื่ินรักชักชวนให้